เรื่องมาสติปฐานตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยในเรื่องของสติปฐานที่เราทั้งหลายค่อนข้างจะสับสนกันอยู่นี่มันมีหลายวิธีหลายแนวทางในเรื่องกายานุปัสสนา คือพิจารณาให้เห็นกายในกายกายเยกายานุปัสสีเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตเรื่องของธรรมเหมือนกันเหมือนกันส่วนในเรื่องของกายที่การพิจารณาเห็นกายบางสำนักเน้นข้อหนึ่งบางสำนักเน้นไปแง่หนึ่ง <c oughs> โดยไม่พูดรวมกันไว้ก็เลยทําให้นักศึกษา นักปฏิบัติสับสนงุนงงโดยเฉพาะเรื่องมหาสติประธานสตูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงท่านพูดไว้ละเอียดเฉพาะเรื่องกายมีทึ้งหกวิธีหกวิธีที่จะทำความรู้จักพี่นายเห็นกายในกายมีทั้งหกวิธีการเหมือนกัน ตั้งแต่ละเอียดที่สุดลงไปจนถึงหยาบที่สุดเพื่อให้เหมาะสมแก่อุปนิสัยใจคอมีคนโง่คนฉลาดคนตั้งแต่โ ง, ง่ที่สุดถึงโง่น้อยที่สุดฉลาดมากที่สุดถึงฉลาดน้อยให้สอนให้ได้รับความเข้า อ, อกเข้าใจได้เท่ากัน สังเกตูพระในสมัยพุทธกาลที่หัวขมองดีที่สุดอย่างพระโพติละโปธิละว่ากันว่าทางจบพระแต่ปีดอกทั้งหมดไว้ในขมองสอลูกศิษย์ลูกหาเป็นห้าร้อยคนที่ชลาที่สดุดแล้วก็ไม่บรรลุธรรมดอกแล้วคนที่โง่ที่สดุดอย่างพระจุรปันทกพระโชฮะลังคาถาเพียงแค่นี้ บาทเดียวคาถาบทไม่น้อยอราาครึ่งบทพระคาถาละโชคารานังไม่จะครึ่งบทเสี้ยวหนึ่งของคาถาท่านท่องสี่เดือนไม่ได้ในทันไหลลองเชดดหวหัวเทิมขนาดไหนขนาดผมนี่เพราะว่าผมแย่ที่สุดแล้วผมยังไม่เท่าท่านเลยผมยังจําได้อ่านละโชฮารนังเฮ้ยจำได้แต่ท่านก็สามารถบรรลุ เป็นพระอรหันได้เพราะใการศึกษาการปฏิบัติในธรรมวินัยนี่มันอยู่ที่ความพอดีมันอยู่ที่ความพอดีแล้วอยู่ที่ความเหมาะสมกับอุปนิสัยใจคอเหมาะสมกับสติปัญญาตั้งแต่โ ง, ง่ที่สุดโง่ามากถึงโง่น้อยฉลาดมากฉลาดน้อยเมื่อปฏิบัติให้เหมาะสมกลมเกลื่อนกับอุปนิสัยใจคอ มันก็ค่อยๆทำให้เปิดเผยความจริงซึ่งธรรมชาติได้เปิดอยู่แล้วนั้นผู้ที่ฉลาดมากที่สุดจะต้องถูกตัดทอนลงมาโดยวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมให้ความฉลาดมากจำมากนะั้นลดลงมาลดลงมาลดลงม า, ลลงมาจนถึงลักษณะพอดีคือไม่เฟอ้อ <c oughs> ส่วนที่โง่จำไม่ได้หวัวเทมก็จะทวิวัฒนาการขึ้นไปพอดีเป๊ะ ความพอดีนั้นมีน้อยพัฒนาขึ้นพอดีมีมากพัฒนาลดลงมาพอดีอย่างนี้นี่คือลักษณะของมหาสติปฐานเพราะเห็นนั้นประการแรกมันสมคัญอี ต, ตรงที่ดูกายในกายไปฟังให้ดีนะทุกคนมีกายด้วยกันมีเวทนามีจิตมีธรรม มมีกายมันก็มีจิตในจิตมีเวทนาในกายในจิตมไม่รมเวทนาคือความรู้สึกตัวฟ e ลลิ n g ธรรมดาธรรมดาพ็คงจะต้องว่ากันหลายภาษาหน่อยนะเพื่อเปรียบเพื่อเทียบเพื่อความเข้าใจย่อความอมความขยายความอะไรต่างๆให้มันเข้าใจกัน นักปฏิบัตินักศึกษาตามสำนักต่างๆโดยมื่นจะไปจับเอาคนละแง่คนละมุมโดยเฉพาะเรื่องกายาโนปัสสนาสังเกตเห็นได้ชัดว่าบางสำนักนั้นให้สร้างจังหวะในการเคลื่อนการไหวรูทันการเคลื่อนไอยคู่เหยียดกลมเงยกระดิก พ, กพกกริกแพงลืมตาอาปากขาดทุยการกินการดื่ม นี่สติสมปัญญาในการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้กลัวจะเป็นสมถะนี่อันหนึง่งแล้วก็บอกวันนี่คือหวยปัสนาแท้อันอื่นนั่งอยู่เฉยๆเป็นสมถะดูความสับสนที่นี้ท่านศึกษาเนื่อไปศึกษาที่อื่นมาก็สับสนอีกอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าให้ดู ยืน อ, อย่าปลดเนี่ยเยืนก็รู้ว่าเยืนนังน่งรั้วนั่งนอนรัว้วนอนเดินรัว้วเดินก็อีกแหละวันในวิปตนาแท้อันอื่นสมถะเรืออ่องเอื่นนั้นมันเฟอ้อเกินไปส่วนอีกอันหนึง่งพวกหนึ่งบอกให้พิจณาโดกระโดกระเดี่ยวผมคนเล็บฟันหนังเนื้อพิจนาภวายนอก เข้าไปภายในตับไตไส้พงุงอาหารใหม่อาหารเก่าเกิดอสุภะปฏิกูลขึ้นมาหนี่จิดจริงจะคลายจริงจะทอนไี้พวกหนึง่งไอ้พวกหนึ่งก็พิจารณาเห็นธรรมชาติธ า, าตุธาตุมตะโกสักว่าธาตุธรรมเท่านั้นนิสโตนิชีโบซูนโยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะแท้จริงไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานีไอ้พวกหนึง่ง และวยูพวกหนึ่งก็บอกว่าต้องไปโน่นเนี่ยไปดูของจริงเลยป่าชาหนุกระดดกกระเดี่ยวสัคนสักสักอะไรกระดมูมเข้าไปที่ตายแล้วแปลสภาพของศพตั้งแต่ตายใหม่ๆขึ้นอืด น, น้ำนองน้ำเลือดไหลมแมลงวันตอมนอนซ้อนใจจนกระจาดกระจายมือเท้าเหลือแต่กระดูกไปโน่น นี่ถึงจะเป็นของจริงทั้งหมดนิทานนักศึกษาไม่เข้าใจก็จะเกิด อ, อาการสับสนว่าของท่านองค์ไหนอาจารย์องคไหนที่มันถูกต้องที่มันดีแท้บางท่านบอกให้มีสติอยู่เดินก็เห็นตนเองเดินเหมือนเดินคนอื่นเดินเหมือนดูคนอื่นเดินนั่งก็เหมือนเห็นตนคนเองนั่งอยู่เหมือนดูคนอื่นนั่งและบางท่านก็บอกว่าให้ดูลมหายใจเข้า อาจะออกตดดตอกันอยู่ตลอดการอือันนี้แน่นอนดูธรรมชาติว่าเขาไปไหนอีและทีนี้กไ็ได้มองกันคนละเงี่ยคนละมุมแล้วก็มีอาการคอนฟลิกขัดแย้งกันทะเลาะการของอาจารย์นั่นดีของอาจารย์นี่ดี พออาจารย์นั้นสมถะอาจารย์นี่วิปัสนาอาจารย์นี่วิปป์อาจารย์นี่สมถะอาจารย์นั้นวิปัสนาแล้วก็เลยได้ทะเลาะกันอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่ค่อยพูดถึงถ้าจะพูดก็พูดให้เขาข้างตนเองว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แหละแต่ความจริงที่พูดเมื่อนั้นเป็นคําสอนพุทธเจ้าทั้งนั้นไงช่วยฟังให้ดี คือมันเริ่มแรกโดยเฉพาะเรื่องกายอนุปัสนาพิจารณาห เ, เห็นกายในกายนี่มันมีทั้งหกวิธีหกขั้นตอนเพื่อให้มันเหมาะ ม, มันสมม่งกลมมันเกิืนกับอุปนิสัยใจคอจริจการของแต่ละคนพระศาสดาท่านสอนคนทุกจริตตั้งแต่โง่ที่สุดถึงฉลาดที่สุดท่านสอนให้ได้รับผลได้ ด้วยความให้คําสอนที่ถูกต้องเหมาะสมกับจริตเพราะเหตุ น, นั้นเรื่องมหาสติประธาน <c oughs> เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติหาเรียนรู้เมื่อสติทำปัญญาเจริญสมบูรณ์รู้พร้อมรู้ยิ่งรู้พร้อมเกินมามึงก็จะนําไปสู่ความสงบนําไปสู่ความดับลงแห่งความทุกข์ทังนิพพาน เึงความปล่อยวางจากความจดมันเธอมัน่นมันจะไปไหนเพรา ะ, ะนั้นจึงมีเชื่อว่าสติปทานสติปทานที่ตั้งของสติการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงตามที่สิ่งนั้นๆมันเป็นของมันเองอย่างนั้นภาษาฝรั่งก็ว่า foundations of mindfulness Foundation of my phunet Foundation นี่ก็หมายถึงว่าพื้นฐานที่ตั้งพื้นเดิมที่ตั้งลงที่ตั้งลงฟอนเดช i o n ถึงพื้นถึงฐาน my phunet หมายถึงสติที่ตั้งของสติมือถกแล้วประไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมคมบาลีประกร ครุงรัอนประเทศอังกฤษเข้าแปลอย่างนี้สติปัฏฐานานี่ฟาวเดชั่ f ออ n d มฟ l n e ก์เอาไว้อย่างนี้เราจะต้องมาทำความรู้จักเรื่องของกายเรื่องของจิตกายกับจิตมารวมกันเป็นชีวิตที่มีชีวิตอยู่ในกายในจิตที่มีชีวิตนี้มันมีอันหนึ่งคือความรู้สึกเละกลงเข้าไปในนั่นนะี่ ความรู้สึกเรียนร้อนอ่อนแข็งพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายที่ประสา บ, บรีว่าเวทนา f e e l ิ n งวันคืนอะไรมันก็เกิดไว้ทั้งวันทั้งคืนถ้าควบคุมอันนี้รู้จักชมหน้าอันนี้จริงๆจิตนุ้ จ, จ, จะถอนตัวออกมาทอยออกมาไม่ไปเจ้าของสิ่งนั้นไม่แอ t แท h ไม่ยึดมันถือมันในสิ่งนั้น เห็นธรรมชาติมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมันถ้าตาไม่เห็นรูปอะไรจะเกิดขึ้นการเห็นรูปไม่มีเกิดขึ้นความรู้สึกยินดียินร้ายอันเกิดจากการเห็นรูปก็ไม่มีหูกับเสียงไม่กระทบกันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยความรู้สึกยินดียินร้ายในเสียงมันก็ไม่มีนอกจากธรรมารมที่มันผุดขึ้นมาในอดีตนี่ธรรมารมนี่ก็เป็นตัวก่อให้เกิดเวทนาเองนะ อารมณ์มากระทบจิตคิดเรื่องอดีตอนาคตอะไรกันมาทำไม่พอใจไม่พอใาก็เป็นเวทนาได้ก็รู้เท่าทันมันเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นตัวจิตเอง ล, ล้วนๆที่มันไปเที่ยวรู้จักชาวบ้านรู้จักโหนดรู้จักนี้นก็รู้จากมันลึกลงไปปอกเปิือกมันลงไปอย่างนี้ไม่เท่าไรก็เห็นความเป็นธรรมชาติของจิตเห็นความเป็นอนัตตาของจิตของวิญญาณ มันก็จะต้องปล่อยวางโดยไม่ปรารถนาะความปล่อยวางไม่มีใครปรารถนาะความปล่อยวางมาถึงตรวนี้มันก็ปล่อยวางของมันเองเพอเหตุนี้อย่างนั้นเหมือนเราไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ยึดมัน่นถือมั่นในการที่จะไปคว้าเอาเงาของเราทุกวันนี้เมื่อรู้ความจริงว่าเงาคือเงาไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตนจะไปยึดไปมัน่นไปไล่ตะคบมันมันรู้อยู่ยนี่มัก็ไม่บ้าที่จะไปไล่ตะคบนะไปอย่างนั้นแหละ เมื่อสติมันจ่อลงไปในจิตเห็นสภาวะของจิตเป็นอย่างนั้นเห็นธรรมชาติที่แท้จริงสภาวะที่เป็นจริงของจิตของเวทนาของกายเป็นอย่างนี้มันจะเอาอะไรไปยึดมัน่นถือมันมันก็ร่อนตัวออกมาแล้วมันก็เริ่มต้นโดยการดูรกายก่อนควบคุมกายก่อนจนกายอยู่ในอำนาจจนกายมีเวทนาใหม่คือความสุขอันดื่มดำ จากการควบคุมมันแล้วก็เอามาดูตัวเวทนาตัวความสุขนะไม่ได้ความทุกข์ก็ดูแต่ว่าถ้าเราควบคุมได้มันเกิดความสุขมากตัวความสุขนี่ยล้มเข้าไปก็ไม่ได้แล้วก็เอาตัวนี้มาดูต่อศึกษาต่อจนเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งจิตมันก็ถ อ, อนตัวออกมาอะไรขึ้นมันก็รู้เข้าไปว่าเป็นธรรมชาติเดี๋ยว ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรต่างๆแต่มันรู้มากๆครับมันกลับมารู้ตัวมันเองว่าเราเนี่ยเป็นอย่างไรเห็นตัวจิตที่มันมีสภาพรับรู้รับรู้รับรู้รับ ร, ร, บรู้อยู่อย่างนี้เกิดแล้วก็ดับเปิดแล้วก็ดับให้ดูทีนี้นางนางข้ามันก็เจาะลงไปเองว่ามันไม่ขี้เกียจ ร, รู้เลยเปิดไฟขึ้นก็สว่างดับไฟก็มืดในเวลาการขึ้นไม่ ขี้เกียจลูกไม่ขี้เกียร์เห็นไม่ขยันรู้ไม่ขยัเ น, ขย น, ขยนเห็นแต่มันเป็นเองของมันอยู่อย่างนี่แล้วมันก็จะดูลึกลงไปวัดตัวที่มันไปเที่ยวรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเมือ่อแจงพอใจไม่พอใจคือใครจอลงไปตรงนี้เลือกลงมาเอกก็จะเห็นอนัตตาในตัวนี้ความไม่เป็นตัวเป็นตนไม่จะเราไม่จะเขาเป็นธรรมชาติเดียกันนะึ่งไม่เห็นความเป็นอนัตตาในตรงนี้ มันก็ต้องปล่อยวางโดยไม่ปราตัน่าความปล่อยวางห่างเหมือนรู้ชัดเจนว่าเงาคือเงาไม่ใช่สิ่งที่จะตะคุบจะคว้าจับต้องได้มันก็ไม่เป็นบ้าที่จะไปไล่คว้าเอาเงาฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉ้มันจะต้องเริ่มต้นโดยกายเนี่ยซะก่อนเมื่อเริ่มต้นมันก็เลยมีอาการ ไม่เหมือนกันแต่แล้วระดับสติปัญญาโอปนิสัยใจคอจริตจัก้านเมื่อมันไม่เหมือนกันมันก็มีช่องทางที่จะให้มันเข้าใจได้อย่างเดียวกันโดยคนละวิธีกันเมืองกับเราจะเดินเข้าไปในเมืองเอาง่ายๆในกรุงเทพมหานครนี่ถ้ามาจากภาคใต้มันก็ต้องผ่านฝั่งทน เข้ามาสูุงเทพมันก็กรุงเทพเหมือนกันเขามามันผ่านทางโน้นมาถ้ามาจากทางตะวันออกมันต้องผ่านพระกระนองบางนาเข้ามาหรือมาทางปาจีนทางแปดริ้วก็ผ่านเข้ามาแต่ไม่ได้ไปผ่านสระบุรีไม่ได้ไปผ่านปากช่อง แต่ถ้ามาทางอีสานมันก็ต้องผ่านตละบุรีปากช่องยิ้มกองสระบุรีมาไม่ได้ไปผ่านสามแยกไฟฉา ย, ายไม่ได้ไปผ่านแม่น้ำเจ้าพยาไม่ได้ไปผ่านทนบุรีแล้วก็ไม่ไม่ได้เห็นบางนาไม่ได้เห็นพระขงนงแต่ก็มันสนใจการกรุงเทพมหานครเหมือนกันถ้ามาอย่างเมืองเหนือมันก็ต้องผ่านนะครสวรรค์ปากน้ําโพมา อันถนนสายเอเชียมาเรื่อยสิงบรีอ่างทองอยุทธยาเข้ามาผาเข้ารังสิตมันไม่เหมือนกันทางผ่านมาไม่เหมือนกันแต่มันมาเหมือนกันตรงที่มันมาถึงกรุงเทพมาถึงกรุงเทพถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสนามหลวงเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วมันเหมือนกัน สนามหลวงของผู้ดิมาจากปักใต้สนามหลวงของผู้ดิมาจากปักเนื้อภาคอีสานภาคตะวออกมันเหมือนกันมันผิดกันตรงที่ทางผ่านเข้ามาถ้าเข้าใจตรงนี้เราจะไม่ได้ทะเลกกาะกันเลิกทะเลาะ ก, กันได้เข้าใจให้ดีว่าท่านท่านกลุ่มหนึ่งถนัดทางกลุ่มหนึ่งถนัดทางนา เพราะเห็นั้นในมหาสติประธานาโสที่พระศาสดาแสดงไว้ที่หมู่บ้างกรมมาสธรรมแควนนิคมของชาวกุลุชาวนาแถวนี้แสดงให้พระทั้งหลายฟังนั้นท่านแยกให้ละเอียดเมื่อเลยว่าทางนี้เป็นทางอันยอดทางอันเอกเอกา j โนยอย่างพิกเวมโคสตานังวิสุติยา ภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นทางไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับโซนแห่งความทุกข์และทมานเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งประนิพานท่านพูดอย่างนี้แหละหลังจากนั้นท่านก็ไล่เลยแจกแจก สิ่งที่แล้วๆมาก็เหมือนที่พูดว่าสิ่งที่แยกกันไม่ได้คือสติสัมปชัญญะอาตาปีสัมปชานสติมาวินย亚โรเกพิชาโทมนัน ส, สังมีความเพียรสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาโทมนันต์ในโลกเสียได้พูดไง่ายๆวัดทอนความยึดมั่นถือมั่นในความพอใจไม่พอใจในโลกเสียได้โดยการที่ผู้มีสติสติจะมีได้โดยตั้งสติไว้ใน ที่ตั้งของมันสติประการนี้คื อ, อตั้งสติไว้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมเริ่มต้นด้วยกายก่อนแล้วก็กายนี่มันหยาบนะจากกายแล้วก็ละเอียดลงไปสู่ตัวเวทนาความรู้สึกจากเวทนาเข้าใจชัดแจ้งแล้วก็ขยับลึกละเอียดลงไปสู่ตัวจิตที่เป็นตัวเสพเซวยเวทนาที่ล้มลงไปเป็นเจ้าของเวทนา ดูจิตตนเองอ่านจิตตนเองให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมทุกแง่ทุกมมท ก, งงทกระบวนละเอียดแล้วรู้จักเจิตละเอียดลงไปอีกธรรมชาติของจิตธรรมชาติของเวทนานั้นธรรมชาติของกายโดยเฉพาะยงยิ่งกวตัวธรรมชาติของจิตที่มันเป็นผูตัวผู้รู้นั่นแหละดูมันจะเห็นอนาตตาในนั้น สัพเพธมาอนัตตาวิญญาณังอนัตตาตัววิญญาณล้วนๆตัวจิตจิตก็ดีวิญญาณก็ดีมโนก็ดีอันเดียวกันแล้วพูดเจชะนั่นแสดงจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิที่เรากล่าวว่าจิตก็ดีวิญญาณก็ดีมโนก็ดีอันเดียวกันมีอยู่ในมหาโพธิ ร, รูปตั้งไว้อยู่ในกายนี้ยาวะเทวะอันอย่างอุปจิตติอันอย่างนิโรสติเมื่ออันหนึ่ง เกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับเมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับอที่พวกคูบาอาจารย์ฝ่าอภิธรรมจำแนี่ยแง่งแก่แปดสบก้าดวงหนึ่งรอยี่สิเอดวงท่านแสดงลักษณะของมันเฉยแต่ตัวจริงจริงมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวดีใจเกิดขึ้นเสียใจมันก็ตายเสียใจเกิดขึ้นดีใจมันก็ตายไปมาอธิบายลักษณะของมันส่วนประกอบของมันแฟกเตอร์ของมัน มันก็เลยมากอย่าว่าแต่สองร้อยิบเอ็ดเลยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ตัวเจ้งมันมีอันเดียวที่คนโบรานของเราวา่านกอีเอียงกินหมากโอให้แซลเซลเสียงบอมีตอห้องทั้งหมดแซลเซลเสียงวุ่นไฟหมดนั่นนะ่ะไม่มีตัวที่จะร้องไม่เป็นแกนซานไม่เป็นสาระเป็นอันนี้จังทุกขังอนาตา แต่ ม, ม, ม, ม, ตมันเหมือนมีมากจิตต่มันเหมือนมีมาก8ปดวงเก้าดวงหาอาารอยี่สบเอ็ดวงบาร์จานฝ่ายไปทธรรมทันพธดก็เขาา้าตำนานนกอี๋อย่างกินมากพ่อให้แซลล์เซลเสียงบ่มีต่อห้องแซลล์ซลห้องตัวเดียวบัดมู <c oughs> ขันว่าลานเพธิ์ในเสียวสวาดวันนกรรมอันเลอเลิศ ของอีสานบ้านเรานักปราชญ์ที่ทันแหลมลึกเป็นปริศนาเป็นคอ น, น, นดัมอะไรขึ้นมาเนี่ยเสเสเสียงบะมีโตห้องอะไรต่ออะไรมันพู่นวายไปหมดกิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะเหมือนจิตนี่มีเป็นร้อยเป็นพันดวงแต่เสร็จแล้วมันไม่มีมันเป็นอนัตตาเสสห้องโตเดียวเบิร์มูจิตดวงเดียวนี่นี่แหละ จิตดวงเดียวนี้แหละมันทําให้เหมือนมีมากผลวายเราร้อนไปหมดนะคือจิตอันนี้แหละจึงมีแผลทิ้งเก่าดวงหนึ่งรอยี่สิบเอ็ดดวงอูเลยไปนวลทั้งเรื่องจิตพอดูตัวจิตเขาละเอียดแล้วมันดูละเอียดจนไม่มีอะไรเป็นความลับมันก็จะเห็นธรรมชาติของจิตที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาฮะมันจะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เกิดการปล่อยวาง โดยไม่ปราตนะความปล่อยวางโดยไม่พยายามมันก็จะเห็นความเป็นอนัตตาในตัวอาตาเมื่อเห็นอนัตตาในตัวอาตาอาตาก็ไม่มีอนาัตตาก็ไม่มีนัตถิอาตากุโตนิรัตตังวาเมื่อตัวตนไม่มีสภาพใดๆตัวตนมันจะมีมาจากไหนมันไม่มีกันเลยทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นแหละ แต่มันมีขึ้นมาแซ่บแซ่บเทียงผมมีตัวห้องแซ่บแซลห้องตัวเดียวบดมืขอข้อภายพวเป็นจำนวนบ้านเราหายศานมันเป็นอย่างนี้เพราะฉนั้นก็เลยเลิกเทียงกันเรื่องสติปัญญานนี่มันมันจุ่งเจิ่งกันอยู่ตรงที่ดูกายในกายส่วนเวทนาจิตทำสามอันนั้นไม่คอนเฟ็กตกันไม่ทะเลาะ ก, กันสำนักไหนก็ตามถ้าดูกายให้ละเอียด เข้าใจความรับของกายจิต ท, ที่ซ่อนอยู่ในกายนี่มหาพูตธลูกมเป็ที่ร่วมลงแห่งวิญญาณแห่งมนโนแห่งจิต ท, ที่พุดาเจ้าของเราทานตัดนี่มันจะมีลักษณะอันเดียวกันนั่นแหละสมแข็งใตรงกายตรงที่จะเปิดประตูเข้าไปภายในมันได้ทะเลกกาะกันพวงหนึ่งดูลมหายใจเข้าหาจะออกพวงหนึ่ง ดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสร้างสติรู้เท่าทันดูให้มีสมาธิมีสติควบคุมหุ่มห่อไปหมดเหมือนกับดูคนอื่นยืนเดินนั่งนอนไม่เหมือนกับดูเรามีก็อีกอันหนึ่งกายานุปัสสนาเหมือนกัน อีกพวกหนึ่งนั่งสั่งจังหวะเก็บมือเข้าเก็บมือออกงับแงบงับแงบจะดจะื่มจะริมจะผูกกระดิ๊พลิกแผงลืมตาอาปากขาดเฮยมีสัมปชัญญะมีสติรู้เท่ารันนิอันนึ่งนี่ว่าสัมปชัญญะบัพพาเราจะได้อธิบายกันต่อไปอีกอีกพวกหนึ่งไอ้สามอันนี้มันละเอียดเกินนะดูลมหายใจมันละเอียดเกินมันไม่เห็นก็ขยับขึ้นมา หยาบมาหน่อยมาดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้เห็นเมื่อคบดูคนอื่นเดินคนอื่นเดินคนอื่นนอนที่ชาหางนี่มันยังละเอียดยังละเอียดมันยังไม่ทันก็ขยบขึ้นมาหยาบขึ้นมาหน่อยก็สร้างความรู้สึกในการเคลื่อนไหว ไหวนิ่งผู้เหยียดกล่มเงยกระดิกพริกแพร่งเรืมตาอ้าปากคากถุยสร้างจังหวะจะโค่นเคลื่อ น, นไหวให้มันเห็นอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นว่าใครเป็นผู้สั่งให้เกิดอาการเคลื่อนไหวดูอย่างนี้ก็เรียกว่าดูกายในกายอีกแบบหนึ่งภาษาบาลีว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะบพัพพะอย่างหนึ่ง ถ้าอย่างนี้มันยังมันยังหยาบเข้าไปอีกอ่ามันยังละเอียดเข้าไปอีกมันรู้ไม่ทันก็ต้องคันเย็บขึ้นมาหยับหยาบอีกอีกหน่อยคือมาดูความเป็นปฏิกูลมาดูความเป็นปฏิกูลความสกปรกดูลงไปเหมือนอาหารเลยปฏิกูลสัญญาดูเข้าไปในท้องในใสอาหารใหม่อาหารเก่าดูตั้งแต่ ผมคนเล็บฟันนั่งเืองอาการสามสิบสองเนียเข้าไปมีอะไรหน้าเอาหน้าเป็นมีอะไรไหมอันนี้เรียกว่ามันมันยาบขึ้นมายาบขึ้นมาหน่อยถ้าขนาดนี้ยังไม่พอยังไม่พอก็ต้องยาบขึ้นมาอีกดูธาตุ เหมือนในร่างกายเนี่เหมือนเหมือนเนื้อเหมือนงัวเหมือนควายที่เขาฆ่าใหม่ๆเอามากองไว้เป็นโซนๆตอนนี้เป็นดินส่วนนี้เป็นน้ําส่วนนี้เป็นไฟส่วนนี้เป็นลมที่นากันอยู่อย่างนี้เลยว่าเห็นกายในกายเทีิสหะขนาดนี้ก็ยังละเอียดอยู่ยังไม่ทันยังไม่ทันยังเห็นอย่างก็ไปดูของ จริงสุดที่จะหยาบดิเรว่านวะศีวทิกาเพิลาสากศพของจริงที่ป่าชาเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นที่นี้เราก็เลยมาต้องมาเทียงกันแหละมาเทียงกันแหละว่าจะอันไหนมันถูกมันถูกด้วยกันทั้งนั้นจะได้ไปเทียงกันนักปฏิบัติลกูกศิษย์พระพุทธเจ้าเข้าใจ สมบูรณ์แบบทั้งทางเทคนิควิชาการไปเปิมมหาสติปัฏฐานสูตรที่ขณิกายมหาวัคไปในิดอกเล่มที่สิบข้อที่สองร้อยเจ็ดสิบสามหน้าสามร้อยยี่สิบห้าฉบับสยามรัฐที่เป็นภาษาบาลีมันจะหาได้ง่ายอราลอมละลายไล่ลกันไป แต่ละอันละอันละอันให้มันละเอียดหน่อยเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมไม่มีอะไรเทียงกันเมื่อกันใครจะดูลมหายใจก็จะไปสู่ตรงนั้นใครจะไปดูอิรยาบถก็จะไปสู่ตรงนั้นเมือม่อเมือม่อเมื่อจิตสงบลงงับลงเกิดปีติเกิดความสุขกันมาก็ดูเข้าไปในตัวเวทนาปีติสุขนั่นเกิดเป็นฌานก็ดูเข้าไปมันมีเวทนาสุขเวทนาในฌาน มีปิติสุขเอกคาตามีเวทนาที่เราสุขเวทนาท่านเราจะยั่งกันดูจิตดูธรรมมือกันเริ่มต้นอาณาปานสติในมหาสติปฐานนี่ท่านพูดไว้ส่วนกายเท่านั้นที่ละเอียดหน่อยส่วนเวทนาจิตธรรมไม่พูดละเอียดเพราะเพราะมันยากตรงที่ยกายเท่านั้นเองแหละ เมื่อกายสงบระงับมันก็มีความสุขเป็นปีติเกิดเป็นชาขก้นมาไม่ว่าเราจะดูอะไรจะดูลมหายใจหรือจะดูอิริยาบถหรือจะดูการเคลื่อนไหวหรือจะดูปฏิกูลดูทาาดูซากดูศพจิตจะรวมลงไปสู่ความเป็นหนึ่งเอกะขะตาหรือจะจะรวมไปสู่ความสงบประงับ ไม่หิวโหยอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านอย่างนิวรด์ทังห้าความกำนัดขัดเครื่องลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญจิตส่วนเกินรักเกินชังเกิ น, นง่เกินชลาเกินอ่อนแอเกินให้หหายไปได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อพวกนี้หายไปมันก็เกิดสุขเวทนาปิติสุกขึ้นมา เมื่อมาดูเวทนาอย่างเดียวกันที่นี่ไม่ต้องเทียงกันมันสำคัญตรงนี้หละที่จะต้องเสียเวลาในมหาสติปทานพระศาสดาอธิบายกายานุปสานานี่ละเอียดถึงหกวิธีการเริ่มด้วยอาณาปานาสติเรียกว่าอาณาปานาปะบพะเป็นที่หนึที่เมืองเวสาลีที่ภิกษุเจริญอสุภะ กรรมฐ า, านในศีสุดกเบือนายตนเองฆ่าตนเองให้คนอื่นมาฆ่าสมณะกุตจารย์เสร็จแล้วพระอ น, นุนได้กราบทูลเมื่อท่านออกจากปฏิสันลีประว่าขอพระองค์จรงแสดงธรรมอันปราณีไม่เป็นไปเพื่อความเรารอดหวาดเสียวถึงกับฆ่าตัวตายอย่างนี้ กาทำอื่นที่มันยิ่งกว่านี้มีไหมพระศาสด า, าได้เลือกทำที่ถูกกับจริตของคนทุกๆคนคือนาปาันสตินี่เราจะเห็นได้ว่าท่านแสดงทำอันนี้แหละที่แสดงมากในพระสูตรทีฆนิกายมัชมะในกายสัญญุตในกายอังคุตตะในกายคุดทักในกายมีมหากเกลือนกลนในพระไตรปิฎก อนอนาปานาสติเนอะแต่ในสติปทานมหาสติปทานสูบที่ท่านแสดงนี่ท่านพูดทั้งวิธีโูกายละเอียดโยในอนาปานาสติแล้วกาาา็พวกอิริยาบถสัมปชัญญะบัพพะปฏิโก ม, มนสิการแล้วก็พีนาธาจตุธาตุวัฏาน แต่พี่มาสากศพมสุภะแต่ท่านไม่นจะพูดละเอียดไปในเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมของอานาปานสติแม้แต่อิริยาบถกอดีสัมปชัญญะก็ดีเพราะท่านพูดคุมคุมรวมเอาไว้ท่านมาแจกแจงละเอียดแต่เรื่องตายเพราะมันมีปัญหาดังทุกวันนี้กาลังทะเลาะกันอยู่ในเรื่อง เราเริ่มต้นด้วยการดูกายนี้แหละแล้วก็มาเทียนกันว่าอันนี้สมร t อาอนาวิปัสนาอานาปานสตินั่นพระศาสดาบอกว่าพระเม้รพระองค์เองก็เด็ดตัดสรุเพราะอานาปานสติอานาปานสติมันถูกกับจริตคนทุกๆคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนขี้โกรธคนนั้นจะมีความกำนัดราคะรุนแรงสินสติในเรื่องเพศมากๆาหรือ ว, ว่าคนนั้นจะเป็นคนเชื่อง่ายคนนั้นจะเป็นคน ลุ่มลงอะไรง่ายๆทุกจริตจะต้องหายใจื <c> ื <oughs> เป็นความจริงอันหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นคนดีคนชั่วอย่างไรก็ตามจะต้องหายใจเป็นทุกคนเพราะฉนั้นการมีสติทุกลมหายใจนั้นจึงถูกกับ <c oughs> ทุกทุกจริตแต่มันละเอียดมันละเอียดละเอียดมากบางคนไม่เข้าใจอย่างน่าสมเพท <c oughs> เวทนาว่านาปานสติ <c oughs> มันเป็นเพียงสมถะ ยู่ในเวสาลีสูตรอยู่ในทีปะสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวะักเล่มที่สิบเก้าอาณาปานะสังยุตข้อที่พันสามร้อยยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบเป็นต้นไปลองเปิดดูพระพุทธศาสดาได้กลับว่าพระองค์ได้รัสรู้ เพราะอันนี้อาหางปิสุทธังพิคเวปุเพสัมโพธาอนาปิสัมพุทโธโพธิสตโตะสมโนโอิมินาวิหะลามิตะหลังวิหาระโตเนวะกายโยกิระมัตินนจกขูนิอนุปาทายะจะมีอาศเวหิจิตังวิมุจติพิสุทธังหายได้ยินไหมเมื่อเรายังไม่ได้ตัดสู่เราเป็นโพธิสัตอยุ่ เราย่อมเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้แหละเป็นส่วนมากคืออนาปานสติเราเป็นอยู่อย่างนี้กายไม่ลำบากตามให้ลำบากอาสะวะสิ้นไปจิตหลุด่้นเพราะความไม่ยึดมั่นทสมาติหะพิกเวพิกุเจปีอากังขยะพิสุทังหลายถ้าเธอทั้งหลายจากักพึงหวังในใจว่าเนวเมกิระ มตินั่นจะโคนี้อนุ ป, ปาทายะจะเมอาสวะหิจิตตังวิมุตติแม้กายเรานี้ก็จะไม่ลำบากจิตเราก็จะตาเราก็จะไม่ลำบากจิตของเราก็จะลดพ้นเพราะความไม่ยึดมัน่นแล้วไสอัยะเมวานาปานาสติสามาธิสาธุกังมณสิกาตบโคเธอทั้งหลายจงทําไว้ในใจให้ดีดอานาปานาสติ สมาธิสาธุกังมรสิกาตโอทําไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี่แหลนี่พระองค์เลือกให้เราทำแต่สัขนาณนั้นก็ไม่ได้บีบังคับนะทุกคนต้องทําอย่างนี้เพียงแต่เลือกให้ว่าอายะเมวอนาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตพโอต้ตองทําไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี้ฉะนี้ถ้าหาไม่ทําอานาปานสติก็ยังเลือกไปทํา กำหนดรู้จักอิริยาบถหรือทาไมทำมั น, นี่ก็เลือกเข้าไปอีกไปกำหนดรู้จักการเคลื่อนการไหวหรืออย่างนี้ไม่เอาอีกยังไม่ถนัดมันละเอียดเกินก่อสูงขยบขึ้นมาหาหยาบหยาบหน่อยก็มาดูปฏิกูลผมคนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเกา่าดูมึงเข้าไป ก็จะเห็นกายในกายความจริงกายเราก็อย่างนี้กายคนอื่นก็อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ยังไม่พอ oh. ก็ดูเข้าไปต่อยาบขึ้นมาหน่อย hmm. คือพิจารณาเห็นธาตุธรรมชาติฟรีอันที่รวมกันอยู่ในกาย่ยในกายนี้ตั้งอยู่ตามปกติโดยความเป็นธาตุมีอยู่ในกายมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเหมือนคนข่างัวข้าควาย เขาเอาเนื้อมันมากององกันเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนก็จะเห็นว่าไม่ใช่เราหรือถ้าอย่างนี้มันก็ยังละเอียดมากปฏิปัญญาของเราจิตของเรามันยังไม่ลงมันยังเซนสテีブมันยังฟุ้งซ่านไวต่อความรู้สึกที่เคยชินโดยเฉพาะเรื่องการอารมณ์ก็คาเยอบขึ้นมาให้มันหยาบสดเข้าไปป่าชาเลย ไปดูซากดูศพนวสิวธีกาดูซากศพเก้าเก้าเก้าลักษณะตามที่มันเป็นนวะไปว่าเก้าสิวธีกาไปดูที่เขาทิ้งในป่าชาตายวันหนึ่งบั่งสองวันสามวันตีวันมีการขึ้นอืดขึ้นพองสีเขียวหนาเกล็ดมีน้ําเหลืองไหลหนาเกลียด น้อมเข้ามาโศกตายนี้แหละของเรานี่ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวนี้มันก็ยังเป็นอยู่แต่มันมีการห่มห่อมันมีการทายเทกันเดียวนี้เป็นธรรมดาพิจารณาเหตุการณ์ น, น, นะะอีกแบบนี้อันนี้หยาบสดนะหยาบสดแต่เมืองไทยหายากหน่อยถ้าเปประเทศอินเดียเยอะไปหมดเลยดูไปจนถึง น, นู่นน่ะตายใหม่ๆเอาเป็นว่าเราจะต้องไล่กันไล่กันตั้งแต่ครั้งแรกแล้ให้ละเอียดละเอียดไปหน่อย ถ้าอยากจะรู้เรื่องอนาปนาสติละเอียดมันมีตั้งดูกายก่อนสี่ลักษณะโดยอาศัยดูลมเวทนาก็สี่เจตก็สี่ธรรมก็สี่รวมเป็นสิบหกถ้าอยากให้ละเอียดก็ไปเปิดพปไต้ปิดกอุปริ ป, ปันาตมัชฌิมะนิกายเล่มที่สิบสี่ข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบสองเป็นต้นไปหาได้ง่ายเราก็จะเห็น เต็มที่สี่หนึ่งข้อที่สองร้อยแปดสิบสองหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเจดนี่พอหาได้ง่ายมหาลาฮุโรวาทัาสตรก็มีมัชมปาปนามชมาเนกายเต็มที่สิบสามข้อที่หนึ่งร้อยสสิบสามหน้าหนึ่งร้อยสามสิบีหลายสูตรแล้วมีเจน้นกักปเปิดสังยุธนิกายมหาวารวักตั้งแต่นูน้นเนี่ย อ, อิชานังคะระโศก เล่มที่สิบเก้าข้อที่พันสามาร้หกสิบสามระหงอีกนีละเอียดนะข้อการทำอนาปานสติมีละเอียดเจาะลงไปทั้งกายทั้งเวทนาะทั้งจิตทั้งทำเป็นธรรมะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้พระสารีบุตรอธิบายละเอียดอยู่ในคุตตการในการปฏิสัมพิธามาักมหาวักอนาปานะขถาเล่มที่สามสิบเอด ตั้งแต่ข้อ362เป็นต้นไปรวม46หน้าละเอียดท่านสรุปว่าผู้ใดจเจริญอาณาบาณสติให้บริบูรณ์ตามลำดับดังที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วบุคคลนั้นจะยังโลกนี้สงองสว่างเหมือนพระจันโคนจรออกจากกลุมเมฆฉั้นนั้นเป็นคำกล่าวของท่านพระสารีบุตรเซนาบดีแห่งกองทัพธรรม อานาปนาสติยัสสะปริปุนาสุภวีตาอานุบุพังปริจิตตายาธาพุเทนเทศิตาโสอิมังโลกังปภาเสติอภามุตโตออกจิก ม, มหา่าขกล่าวอย่างนี้ผู้ใดเจริญอานาปนาสติให้บริบูรณ์ตามลาดับดังที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วหันั้นจะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันโคจรออกจากกุมเมฆ อาณาปานาสตินี่มันละเอียดนะละเอียดให้ดูดูอาณาปานาสตินี้ยากไม่ก็ยเห็นก็ต้องหยาบขึ้นมาดูอิริยาบถในมหาสติปัฏฐานท่านจึงเอาอาณาปานาสติขึ้นเนะื้ออาณาปานาสติดูให้ละเอียดลงไปจนเห็นลมหายใจไม่ใช่เห็นในความรู้สึกเห็นเห็นมันเหมือนเราสบบุหรี่ควันไหลออกมาในจมูกละเอียดนะั้น ังที่ภาษาลิบททุตันตรัสไว้ในปฏิสัมพิธามาคุตตะกันในกายเล่มที่31ขอ้อที40อ่406จะเห็นว่าเมื่อทำให้ดีๆความได้ลมก็ปรากฏลมอสาสสะฟัสสะก็ปรากฏอาณาปานสติก็ปรากฏอาณาปานสตปานสะสมาธิก็ปรากฏดยให้ ด, ดีแป้ว่าทำดีๆแล้วลมหายจจเข้าหายจจออกเนี่ยก็ปรากฏขึ้นมา ความได้ลมก็ปากรเรมาสาธาสประสาสะ ก, ก, กปากรมีในความรู้สึกทุกเมื่อเห็นตรงนี้มันยากนะยิ่งอยากเห็นยิ่งไม่เห็นเลยแต่ถ้าดูลมให้ก่เข้าใจใจออกนัง่งอยู่ก็ดูเดินอยู่ก็ดูนอนอยู่ก็ดูยืนอยู่ก็ดูไปยอยู่มาวันหนึ่งเถอะขณะที่เดินอยู่ก็ได้หรือขณะที่นั่งอยู่ก็ได้หรือขณะที่นอนดูอยู่ก็ได้หรือขณะที่ยืนอยู่ ท่านจะปรากฏเห็นลมขับรูจมูกออกมาไายออกมาเลยทีนี้ไหลเข้าและออกจิตใจนี่จะอ่อนโยนเหมือนต้มน้ำร้อนมารวกผักเขียวๆอ่อนยวบยาาลงไปเลยไม่จะนั่งลงกับที่เลยถ้า ย, ยืนอยู่หรือเดินอยู่นั่งดูยังมีความหมายที่พราษารีบบทว่าความได้ลมก็ปรากฏเอาลมอาศะสัพสะสระเข้าออกก็ปรากฏ อาณาปานาสติก็ปรากฏคือสติในลมหายใจเข้าออกก็ปรากฏอาณาปานาสมาธิก็ปรากฏอีกด้วยลองดูสติสมาธิปรากฏอยู่ทุกลมหายใจเลยมันละเอียดอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากเห็นว่ามันละเอียดมนาะกมันไม่เหมาะสมเราก็ขยับเขึ้นมาดูอิริยาบถมันมนิ่งเลยและอีที่สุดจนถึงหยาบที่สุดหยาบที่สุด แทนที่ท่านจะพูดเรื่องหยาบงลงไป็นส่วนละเอียดท่านดูละเอียดขึ้นมาหาหยาบคือการกองบุคคลทีออ่ละเอียดพอเรื่องธรรมมากเป็นเรื่องละเอียดมากดูละเอียดไม่เห็นค่อยถอยขึ้นมาหาหยาบหยาบขึ้นมาหยาบขึ<ม>้นมาไม่เหมือนเราเรียนเราเรียนตั้งซื้อปอปอหนึ่งไปจนถึงมหาวิทยาลัยแต่้โน้นถ้าไล่ตั้งแต่ละเอียดขึ้นมาหาหยาบคนไหนพอจะไปได้ก็ไปก่อนซะเลย มีพื้นฐานมีอุปนิสัยใจคอมีบาลมีอินทรีแก่ก็า้าสั่งซ้มมาพวกเทมเพลเมนพวกฟิกคันเทอะไรต่างๆก็ลัดไปตรงโน้นเลยแต่นี้ทําันไม่พอก็ทดลงมาทดลงมาโทษลงม า, งมายาเพื่อนยาเพื่อนยาเพื่อนไม่ต้องเทียงกันเป็ว่ามันละเอียดมากคืนอนาตาณสตินี่ละเอียดจนเห็นลมหายใจปรากฏขึ้น ลมอศาศาสาส์ปัสซาสะปรากฏขึ้นหลังจากนั้นอนาณาปานะสติก็ปรากฏไมก้กวาดสติที่ปรากฏขึ้นมาทุกกลมให้จะเข้าหายใออกนีนั่นก็อาณาปานะสมาธิคือสมาธิอยู่พวกลมหายใจก็ปรากฏขึ้นแม่ละเอียดมากเอาซะจริงๆนะที่ท่านพระสารีบด ท, ท่านกล่าว อัศาศะสั ป, ปสาสาสนันจักปภาวนานโหติอาณาปานสติยาจะปะภาวนาโหติอาณาปานสติสมาธิสะจะปะภาวนาโหติหันวาอย่างนี้นนนมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นมในลมหายใจเนี่ยสติในลมหายใจเกิดขึ้นสมาธิในลมหายใจเกิดขึ้นลมหายใจปรากฏขึน้นแล้ว คือเห็นได้ชัดเจนจนจิตใจอ่อนโยบยาเพิ่มมาเนี่ยลักษณะนี้มันละเอียดมากเพื่นขนาดนี้ละ่ะแต่วา่าเห็นว่ามันละเอียดเกินไปเขาก็มาทำหยาบไม่เท่าเทียมกันนี่โดยเฉพาะอนาปานสตินี่ยังมีส่วนผสมประยุกในสมัยใหม่ อย่างพุโทโธพุโทโธหายจะเข้าุทหายจะออกว่าพุโทโธพุโทโธนั้นเป็นอาณาปานาสติเหมือนกันอาณาปานาสติสติในลมหายใจเข้าหายใจออกแบบประยุกต์ประยุกต์อาพุทธานุสติเข้ามาด้วยและลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยพุโทโธเป็นชื่อของพุทธเจา้าเป็นคํามงคล โรครอคอยมานะ้ากว่าจะได้พบถ้าเราเปิดตามพระสูตรต่างๆบางคนได้ยินเพียงคำว่าพุทโธเท่านั้นตกตะลึงถามย้ำทั้งสามครั้งว่าจริงหรือโรคกว่าจะได้ยินคำนี้อดไม่ได้ต้องไปดูเองนะอย่างนางธนัญชานีเดินไปเตะสะดุดชุดต่อไปโตอกตกใจพูดพุทโธกันมานมโมทัสสะปะกวโตอะลาตัวสมาสัมพุทสสะจนขัวแก่โกรธแล้วก็าถาม บอกว่าคนที่แกพูดทั้งนั้นคือใครมีปกติว่าพุดโทรหรือบอกใช่หวัวบอกว่าแหมว่ากกรอดใจเย็นคำนี้ไม่รู้กี่ปีกี่ชาติฉันจะต้องไปดูจริงเหรอเพราะทังหาจเข้าว่าพูดหาจะออกว่าโทพูดโทพุดโทนั้นเป็นอาณาปานสติประยุกิมีสติในลมหายใจแล้วยังบวกเอาพุท ธ, ธานุสติเข้าไปด้วย นบางแห่งหาจะเข้าหยุอออหยอบยอพองเนอหาย่อไปยุบเนอพองเนาะนั่นก็อาณาปนานสติประยุกต์ประยุกต์เอาสามัญญะบั พ, พะเข้าไปด้วยเคอมีสติในการเคลื่อนไหวด้วยมีสติในลมหายใจเข้าออกด้วยท้องมันไหวพองขึ้นมาในขณะหายใจเข้าบพองเนอเท้ามันไหวหยุบลงไป นันนะฮะจะออกมาบอกยุบเนะาะอย่างนี้ก็ <c oughs> เลิกเทียนกันได้ <c oughs> อย่ามาโ uh huh. มาเถียงกันโลกเศรษฐประพุฤตเจ้าพระสัตดา บ, บอกว่าทําวินัยนี่เหมือนพ่วงแพโอลุ ม, มะปิกโสหุตทําวินัยนี้เหมือนพ่วงแพสําหรับจะขี่ข้ามฟากเราทีโดเราลงเรือลงแพลําเดียวกันแรกเรามาช่วยกันถอช่วยกันพายมันร่วมมาช่วยกันโอด๊ดช่วยกันยา ไม่อยอมลงแล้วก็ลงเรือลงแพแล้วก็ทะเลาะกันเอาไม้ไผ่ในแพถอดออกมาตีกันเนี่ยก็จะได้จมน้ำตายด้วยกัน <c oughs> เลิกเลิกทะเลาะกันเข้าใจกันให้ดีๆเรื่องเรื่องการเจริญสมาธิภาวนารื่องการศึกษาทำบุญในพระพุทธศาสนานี้อาณาบรนสติมันกว้ามันลเอีย ม, มันอมได้หมดเลย พอเห็นนั่นถึงบอว่ า, วาอาณาปานสติมุทภาพูตังกรรมฐานนางภาเวทีอาณาปานสตินี่เป็นยอดมองกุฎของกรรมฐานมุทภาพูตังเป็นมงกุฎเกโดมงกุฎมันอยู่ยอดอยู่บนหัวคนที่ได้สวมมงกุฎเข้าไปนางงามจักรวาลหรือพระเจ่าแผ่นดินหรือคือยอดของคนอาณาปานสติยอดกรรมฐานนะทําเป็นเล่นได้ เพราะนั้นเรามาว่ากันทีละอันละอันดีกว่านะพวกเคลียพื้นที่กันมันทะเลาะกันทุกวันเนี่มันเทีย่ยงกันเราจะทําไม่ให้เที่ยงกันให้เข้าใจกันในมหาสติปัฏฐานนี้เอาจากแต่ละเอียดขึ้นไปหาหยาบหยาบยาบจนสุดตั้งแต่คนฉลาดมากที่สุดจนถึงคนฉลาดน้อยคนโง่โ ง, ง, ง่อย่างพวกเรานี่ละ่ะก็สามารถตากดวงเอาประโยชน์ อยากทำนิดหนอยอมตะธรรมเรากล่ว่าเป็นทรัพย์ของบุคคลทั่วๆไประสาปะดาว่าอย่างนี้ทำท่ไมตายการภาวนาปนาัสติทั้งก็บอกให้ไปโยคนมาอยู่ในป่า น, นั่นแหละมันเหมาะมัน การทันชั่วฟิกเวฟิกขู่กายกายานุปัสสีวิหารติอิทธากิฟิเวฟิกขูอรุณย์ขโตวาลุขโมลุขโตวาสุญยากาลุขโตวาณิชีตติปัลลังกังอภูชิตตวาอุจงกายญปนิธาญาปุรุคังสาติงวะทะเปตตวาโสสโตวาสสะสติโสสโตปัสสสติขออภัยผู้ภาษาบาลีหน่อยก็คงให้อภัยกันเพื่อให้ความสมบูรณ์แบบทางวิชาการดูก่อนทุกสังายภิกษุ พี่นาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรเล่าใช่ก็บ่าอย่างไรเล่าออกภาษาบนานีบอกพี่นาเห็นกายในกายเนยี่ใดการพี่นาเห็นกายในกายเนยี่ยใด <c oughs> ห้อออกภาษาฮาวายจกากสิภาษาบาลีก็ตั้งคําถามมาตั้งก่อนว่ากระทันจะพิกเวพิกขุกายเกายญาโนาปัสิวิหรติ ภิกษุทางหลายภิกษุวินาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรร่งวินาเห็นกายในกายเนี่ยใดยังใดเนี่หลงังจากนั้นเขาเมอนาปานาสติก็พูดถึงที่อยู่เป็นการบริกรรมมีความคําว่าบริกรรมนี่ย่าไม่เข้าใจกันส่วนมาบริกรรมเขาจะว่าพูดว่าพุทโธสัมมาอาระหังอัมโมสังโฆให้พูดว่าอย่างไรบริกรรมว่าอย่างไร ปริกรรมการกระทำเบื้องต้นรเพเรชันการกระทำจัดแจงแต่งที่เตรียมให้มันเข้ารูปเข้ารอยนั่นแหละเรียกว่าบริกรรมบริกรรมเบื้องต้นบริกรรมที่สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันเหมาะให้มัน้อมเตรียมที่อยู่ที่อาศัยการบริกรรมที่อยู่ที่อาศัยท่านก็บอกวา่าลุคขมูลคโต ว, วาลันยาขโต ว, วาสัญญากาโต ว, วาเนี่ ไปสู่ ป, ป่าก็ดีโคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีนี่คือการบริกรรมสำหรับเตรียมชิวที่จะทำสมาธิภาวนาหลังจากนั้นบริกรรมทางกายเตรียมกายให้มันเหมาะเจาะให้มันเพื่ออํานวยต่อการอะดวกจิตท่านั่งแบบนัเหมาะที่สุดมันคงเฟิร์มรีที่สุด ท่งนก็เลยบาว่านี่สีทติปันลังกาผูพชิตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอุชุงกายังปณิทายะปริมุขหังสติงอุปตะเปตวาตั้งกายต้องตั้งกายต้องหมายความบริกรรมเกี่ยวกับบริกรรมนั้นแปลว่าเตรียม มีการเตรียมอยู่สามลักษณะเตรียมที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมเตรียมร่างกายให้เหมาะสมเตรียมจิตใจที่จะกําหนดรูปให้สติจเจริญขึ้นมาสามขั้นตอนเตรียมที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมเข้าปา่าโน่นโคนไม้โน่นปา่าไม้โน่นเรือนบ้างอารัญญคัโตลุมคมูลคัโตสัญญาคารคัโต ไปสู่ป่าสู่โคนไม้สูส่เรือนว่างเตรียมเบือบเบ้องต้นบริกรรมเบื้องต้นต่อมาบริกรรมถ้ำกลางเกิดเตรียมทางกายมีสีสติ ป, ปัลังกังอาภูจิตวาอุชงการยางปณิธายะคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายให้ตรงๆ ต, ตั้งหนังตัวงอ ง, งองปอดเปิดมันถู ก, กดถูกทับหายใจไม่สะดวกการรู้สึกตัวทวดถึงความละเอียดลงไม่เพียงพอตั้งกายให้ตรงๆมันจะได้แบ่ง พลังงานทางจิตไปคลุมครองไปประคับประคองข้างหลังไม่ง่วงนอนเอีกด้วยฝึกให้เกิดความเข้มแข็งนี่ระยกว่าบริกรรมส่วนกลางบริกรรมกายถ้าเป็นวัดเป็นอายุมันทําไม่ได้อานาบานสติก็ต้องไปเคลียสักกินโยกเกียนยารักษาให้มันหายเราจะดูลมดึงดูทางเดินของลมให้ละเอียดลมหายใจมันไม่ละเอียดดูมันหายใจสองรูเนี่ยในจมูก รูไหนมันค่องรูไหนไม่ค่องถ้ามันขัดค่องก็ไปทําความสะอาดท่อหายใจในจมูกในจะเอายาดมเอาให้เป๊กเอาอะไรช่วยทายมันหายห่จโล่งใจดูให้ดีหรือเอาแบบโบราณก็ได้เอาน้ําล้างเอกเอาน้ำเซมือตรงองล่องในภาษาลาวฮอมใส่ในอุ้ง ม, มือในอุ้ง ม, มือในอว อ, อ, อ, องมือนี่ มีน้ำอยู่แล้วก็ปิดมือหนึ่งปิดรูจมูกไว้แล้วก็ซูบโซเข้ามาแรงๆขึ้นสมองจนแสบเหมือนเด็ ก, กน้อยตกน้ำตอนเด็กๆนะแล้วก็สั่งขี้มูกออกมาล้างหมอกของอากาศแอร์ฟิลเตอร์ให้มันสะอาดลมหายใจสะดวกมันจะได้ดูกันสะดวกการทำอย่างนี้บ่บอยๆดีนะล้างข้อหายใจไม่เคยเป็นบัดเป็นไออันนี้ถือว่าบริกรมรมต่อยม อย่าเขาจะ่าบริกรรพูดอย่างนู้นอย่างนี้ว่ากันเอาเองขึ่ไม่มีดอกไปเปิดพรตติ บ, บิทอกสองหมืนหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบหกหน้าหาไม่พบว่าให้วายอย่างไรนี่เรียกว่าบริการมทางกายนั่งตัวตรงดำลงสติมั่นคูขาเข้ามาโดยรอบร่างทอ่อหายใจให้ดีๆเป็นบัดเป็นไอเป็นไขเป็นน้ำเคลียร์ยใ้ดีให้หายต่อมาบริการทางใจเตรียมจิต เตรียมตัวเรื่องจิตไปกําหนดอะไรก่อนท่านก็บอกว่ากําหนดโสส ต, ตวะอัตตสติโสส ต, ตปสุปัสสติมีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกอ่ะละจะไม่พูดภาษาบาลีกันเมื่อมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เริ่มหายใจยาวยาวหายใจยาวข้าวละเอียด ยาวออกยาวข้าวละเอีย๊ยถ้าหาท้ายจะยาวๆนี่ลองดูถ้าไม่ขี้เกียจซะก่อนทําบ่อยๆข้าวร่างกายแจ่มใสหน้าตาแจ่มใสเบิกบานเลือดลมเดินสะดวกสบายโายครคภัยไข้เจ็บมีน้อยกี่วันกี่คืนกี่เดือนก็ช่างหัวมันไม่มีใครบังคับว่าเราต้องทําเท่านั้นวันเท่านี้วันแล้วจะให้เห็นทําใหบรรลุท ำ, ห, ทำหรือให้ไม่ได้อย่างนั้นจะล้มเหลีว ไม่มีใครบังคับคอยเป็นคอยไปเริ่มหาหายใจยาวๆ ย, ยืนเดินนังน่งนอนก็หายใจยาวๆเข้ายาวๆออกละเอียดมีสติกำหนดรู้สังเกตภาษาบาลีว่าสำเนียงสเทียงเราเป็นผู้รู้หายใจเข้าสั่นออกสั่น ในใจเข้ายาวออกยาวก็รู้หูชัดบ อ, อกยาวเข้ายาวจากยาวแล้วก็มารองสั้นดูยาวก็อึดอัดเป็นทุกสั้นก็อึดอัดเป็นทุกไม่พอกินหลังจานั้นก็มาปล่อยตามธรรมชาติของมันให้มันเป็นไปเองตามธรรมชาติทีนี้มันจะเกิดความพอดีระหว่างสั้นระหว่างยาวหาความพอดีเกิดขึ้น ตอนหาจะยาวร่างกายมันร้อนแต่ก็อดก็ทนพอหายใสั้นก็อึดอัดเอกไม่พออยู่พอเกินอกทีนี้พอ ม, มาปล่อยธรรมชาติระหว่างสั้นกับยาวมันจะปรับเข้าพอดีกันแล้วก็มาสำเหนียกสำเนหนียดนูประชานติภาษาบาลีในช่วงนี้เกิดขึ้น ม, นหมาหน่อยว่าประชานาติจะเขาว่าสภกายะ ปฏิสังเวทีสภกายะปติสังเวทีกายทั้งปวงปฏิยิ่งเฉพาะสังพร้อมเวทีรูรูพร้อมเฉพาะรูพร้อมเฉพาะในกายทั้งปวงหาจะเข้าหายจะออกลองท้าว่าสิกขติสิกขิติเขาสิกขิติเนี่ย กัเขาว่าสังเกตศึกษา observe ตังเกตดูดีๆเมื่อเราหายใจยาวเป็นอย่างหนึง่งหายใจสัน้นเป็นอย่างหนึง่งหายใจหยาบเป็นอย่างหนึง่งหายใจละเอียดเป็นอย่างหนึง่งพอมาปล่อยธรรมดามันจะเป็นอีกอย่างหนึง่งตามธรรมดาธรรมชาติแล้วก็สังเกต observe มันให้ดีๆสังเกตมันแต่นี้ยิ่งชื่อว่าสิกขติต ปัึกษาสังเกบโดยเฉพาะปฏิสังเวทีโดยเฉพาะในเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าลมที่เราหายจะเข้าหายใจออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายมาหาภูตโลภมันจะไหลเวียนอยู่ในร่างกายนี่แหละพาเลือดลมพัดเอาเลือดฉีดดันไหลไปตามร่างกายพอละหายใจตามธรรมดาธรรมชาติมันจะมีอาการดิน้นมีอาการการตกมีอาการ เป็นตรงนู้นตรงนี้ในเนื้อในตัวนั้นเป็นเรื่องของลมเราก็รู้มันสัพพกายรู้ทั้งหมดกายทั้งปวงคาว่ารู้ทั้งหมดกายทั้งปวงนั้นนะไม่ได้หมายาว่ารู้เห็นตนเองนั่งอยู่อย่างนี่ดอกกายทั้งปวงนะหมายทั้งลมทั้งปวงนอกจากลมหายใจแล้วมันยังมีอีกลมในท้องลมในใสลมพัดไปตามตัวลม ให้หายใเข้าหายใจออกเนี่ยังมีลมพัดไปตามตัวที่มันดิน่น ย, ยึกยักยักยักกาโตกข้างหนา้าข้างหลังตามแขนตามขาตามไหลตามหลังตามเอวอะไรตา่างๆนั่นแหละให้รู้จักมานพอเริ่มหายใจยาวหายใจสั้นแล้วมันก็เริ่มดิน่นให้เห็นละ่ะพอปล่อยให้ให้ให้ใหใหละเอียดข้าวหลังจากนั้นเราก็ดู ม, มันอยู่เฉยๆมันจะเข้าจะออกยังไงช่างมั น, มนความลําลับเกิดขึ้นเย็นลงเย็นลง ก็จะเป็นการง่วงนอนเริ่มเริ่มจิตเริ่มสงบตายเริ่มลำงับทำบ่อยๆข้าวลมหายใจละเอียดๆข้าจนไม่มีลมหายใจเรียกว่าลำงับปัตสัมพยังกายสังขารังอสสะปัสสามีติสิกติฮิสุนันย่มทำในบทตึกตาสำเนียกว่า